เราถอนเราทุกท่านนะเราก็โชคดีนะคุยกันภาษาไทยไม่ต้องมีใครแปลให้เราฟังก็เราก็เข้าใจบางทีเราฟังทำนะานะใช้ภาษาเดียวกันนะไม่เรากลูบ า, า, ายใจแสดงธรรม บางทีมันก็เหมือนเข้าใจนะแต่มันก็ยังไม่เข้าใจก็ก็เยอะบางทีทางโลกนะภาษาคนภาษาธรรมบางทีมันก็ใช้คำเดียวกันนะแต่มันคนต้ความหมายคนนั้นไยยะเลยเนะี่ยเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆ ดูไปว่ามันเป็นยังไงนะอย่างเราฝึกเนะ่เรื่องการให้มีสติเนะี่ยสติทํามโลกนะเขาก็อาจจะเพียงแค่ว่าเรียกว่าไม่หลงลืมสิ่งของนะหรือว่าจำสิ่งต่างๆได้นะหรือขับรถแล้วปลอดภัยนะ ไม่ชนนะเดินไม่หกไม่ล้มนะนะเขาเรียกว่าคนมีสตินะหรือว่าคนที่มีชีวิตอยู่กับคนทั่วๆไปได้ไม่เป็นอันตรายนะไม่ไปทําร้ายใครนั้นะก็ถือว่าเป็นคนมีสติแล้วนะแต่ถ้าคนนะไม่มีสติคือพวกอันตรายเป็นคนบ้าเป็นลบจิตลบประสาทนะอันนั้นเรียกว่าคนขาดสตินะ อทางโลกทางโลกเขาก็เข้าใจสติแบบนั้นมันก็ควรจะมีอยู่เหมือนกันมีมาตรฐานในการคนที่ป่วยแบบไหนอยู่กับสังคมแล้วปลอดภัยไม่ปลอดภัยมันก็มีมาตรฐานหรือคนที่ใช้ชีวิตแบบไหนกินเหล้าเมายามันเมาเนะียถ้าขับรถถ้าใช้ชีวิตกับคนทั่วไปก็อาจจะอันตรายได้อนั้นก็นั่นก็ดีนะมันก็ต้องมี แต่ทางทำนะ่ะพอเราพูดถึงว่าเาขาบอกขาดสติเนะี่ยบางคนพักเตือนวะ่าทำอะไรไม่มีสติเลยนะหรือบางทีเราพูดว่าเหนะลงไปแล้วนะรึไหมเนะี่ยลืมตัวไม่มีสติเนะี่ยบางคนก็บอกฉันไม่ได้หลงนะฉันไม่ได้ลืนะมลตัวอนะหรือบางที เราถามว่าชีวิตมันทุกไหมนะชีวิตก็ไม่ได้ทุกนะนีเนะก็จะจริงคำว่าหนงลืมนะตัวหรือทุกนะที่พระพุทธเจ้ า, ท, าท่านเตือนท่านสอนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกันทุกคนเลยนะ ไม่แต่พระไม่แต่แม่ชีไม่แต่โยมนะผู้ที่ปฏิบัติใหม่ผู้ที่ปฏิบัติเก่านะเป็นกันทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ใครจะมีมากมีน้อยนะมีแล้วรู้ทันหรือมีแล้วไม่รู้ทันนะอันนี้เป็นสิ่งธรรมดามากนะเวลาคนว่าเราไม่มีสตินะว่าเรายังทุกอยู่นะนี่ก็ถูกแล้วใช่ไหม เพราะเราก็ยังมียังมีกิเลสอยู่เนี่ยยังมีความหลงอยู่นยังมีความทุกข์อยู่เนยยังมีสิ่งที่ไม่รู้อยู่เนอันนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับเลยยอมรับเลยไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปปกป้องตัวตนไม่ต้องไปปกป้องกิเลสอะไรใช่ยังมีเรายังมีตัวตนอยู่แม้ได้ฝึกฝน การขัดเกาตัวตนการระวางตัวตนอยู่บ้างนะแต่มันก็ยังมีอยู่นะเป็นธรรมดาขอโทษน่นนะมันไม่หมดง่ายๆหรอกนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสะสมความหลงนะสะสมการเห็นผิดการกระทําผิดการคิดผิดมาอ่มาไม่รู้ว่าเนินนานเท่าไหร่นะมันก็เป็นติดอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร เพราะสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นการทําสิ่งใหม่เพื่อล้างสิ่งเก่าเนียเพื่อแก้สิ่งเก่าแต่ไม่ใช่เป็นการไปกดข่มสิ่งเก่าหรือไปหักล้างสิ่งเก่าเลยตรงนะะแต่การที่เราเรี ย, ายามีสติเนี่ยไปในกายเนี่ยอยู่เป็นประจําเนี่ยสติไปในกายเนี่ ย, ย, ย, ต ย, ยแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องเอาจิตเอาใจนะไปอยู่กับ ไปอยู่ในร่างกายนะรัสติไปนในกายคือสติในการรู้ตัวนะในการกระทำเนะนะพียงแค่รู้นะแต่อย่าเข้าไปอยู่เนะช่นเรายกมือสร้างจังหวะนะก็เพียงแค่รู้สึกนะเดินจงกลมนะก็เพียงแค่รู้สึกนะจะหยิบจะจับจะทำอะไรนะ ก็เพียงแค่รู้สึกรู้สึกคือความคือความรู้ตัวคความรู้สึกในที่คือความความรู้ตัวรู้ชัดว่าทำอะไรอยู่แต่คือรู้ตัวแบบนี้แล้วเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่รู้แบบเพ่งไม่ใช่รู้แบบเฉพาะจุด บาทีมันอาจจะมีความชัดเจนนะในการกระทำบางบางส่วนอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ไปไปขี้ไปจ้องไปเพ่งไปรู้แต่อย่างเดียวจนจะดืมอย่างอื่นเนะนะาะแต่เรายกมือสร้างจังหวะก็ดีแล้วก็แล้วก็รู้สึกนะมาจจะชัดที่มือนะแต่จริงเราไม่ให้ไปเพ่งจ้องแต่กับมือนะอย่างเดียวมันรู้สึกชัดตรงนั้นนะ แต่เราก็ยังรับรู้อย่างอื่นประกอบไปด้วยนะไม่ลืมนะถ้าเราไปรู้จ้องรู้ชัดแต่อย่างเดียวนะบางทีมันก็อาจจะเพ่งเข้าไปข้างในนะบางทีใบหน้าหมันเกรง็งนะร่างกายไม่ผ่อนคลายนะหรือมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นกับร่างกายเราก็ไม่รู้ตัวนะอันนั้นมันอาจจะเป็นรู้แบบเพ่งแบบจ้องมากเกินไป นะมันเป็นสมาธิที่มันมากเกินไปนะมันเป็นสมถะนิดหน่อยที่ยิงหลายคนนะในทางโลกนะเราก็เรียนเราก็ใช้เรื่องสมาธิกันมาในการเรียนในการทํางานนะในการใช้ชีวิตอยู่เยอะอยู่นะอแต่สมาธินะที่มันรู้เฉพาะจุดรู้เฉพาะอย่างตอนนั้น บันทีมันก็ทำให้มันสำเร็จประโยชน์ในการงา น, นแต่ในทางทำแล้วบันทีมันกลายเป็นการทำให้เราลืมลืมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปอย่างบาทีเราทำอะไรนะใจเราอยู่แต่กับสิ่งที่เราทำอย่างเดียวนะเช่นเนี่ยฝนมันโปรยลงนิดหน่อยใช่ไหมสมมติฝนมันตกสมวติเราทำงานเราเราสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งลืมเรื่องข้างนอกเลย ฝนตกก็ไม่รู้ตัวผ้าที่ตากไว้นะก็ไม่ได้ไปเก็บสิเพราะไ ม, ไม่ได้ยินเสียงฝนนะไอ้แบบเนี้ยคือเรารู้แบบอะไรรู้แบบเฉพาะส่วนมากเกินไปใช่ไหมคือเราไม่รู้ตัวทั่วพร้อมไม่รู้บ่อบานะงทีมันมีอะไรเกิดขึ้นที่มันผิดปกตินะเกิดขึ้นแล้วเราต้องมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรแบบเนะี้ย เราก็ลืมมันเราไม่เฝใจมันเลยนะมันก็เรียกว่าสมาธิมันมากเกินไปเหนะมือกับเด็กอะนะเล่นเกมก็มีสมาธินะเขาก็หมกมุ่นอยู่กับเก ม, ม น, นะนะผู้ใหญ่นะอ่านนิยายนะจิตก็อยู่กับนิยายน่ะวัยรุ่นะ ด, ด, ดูซีรีส์นะ่ะเกาหลีดูหนังอะไรนะฟังเพลงจิตก็อยู่กับตรงนั้นนะ่ะลืม ลืมสิ่งรอบข้างลืมสิ่งรอบตัวลืมตัวด้วยอันนี้คือเรียกว่าสมาธิมันมากไปนะหรือเราปฏิบัติธรรมนะถ้าเรามันอยู่แต่กับนะอยู่แต่กับสิ่งที่ทำมากเกินไปนะใจมันเป็นสมาธนะิแต่มันไม่รู้ตัวอย่างอื่นเลยเนะี่ยแปลว่าสมาธิมันมาก สติป็นอ่อนเราต้องรู้แบบเรียกว่ารู้แบบไม่เข้าไปอยู่เพียงแค่รู้นึ่งจำได้ชัดแต่ตอนหลวงพ่ อ, องเขียนท่านเขียนจดหมายนะตอบคับถามหรือว่าสิ่งที่แนะนำเรื่องการปฏิบัติให้กับอาจารย์กาพลนะในตอนแรกเพิ่แ อ, อาจารย์กำพล ผมเป็นคนพิการนะผมอยากจะปฏิบัติธรรมไม่มีอิริยาบถอื่นมีแต่ียบดนอนนะจะทำอะไรได้บ้างเพราะเขาเขียนบอกคนพิการนะก็ปฏิบัติธรรมได้นะถ้านะบางทีก็หายใจเข้าหายใจออกนะให้รู้สึกตัวไม่รู้หรือถ้าพอพลิกมือได้นะก็พลิกมือง่ายพลิกมือคว่าให้รู้นะ แล้วพ่อก็จะย้ำว่าให้รู้นะอย่าเข้าไปอยู่เนะนะ น, นี่ยอันเนี้ยสาคัญมากนะนะเวลาเราทําอะไรเราเพิงแค่รู้นะแต่อย่าเข้าไปอยู่กับกับสิ่งที่ทำนหมดนะเลยพิยงแค่รู้นะกายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะแต่แบบนี้ยไปเรื่อยๆกายเคลื่อนใจรู้กายทําอะไรนะ่ะใจรู้นะ่ะเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นกับกายพราพิงแค่รู้นะ มันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันร้อนมันหนาวนะมันหิวอะไรนะเราก็รู้เนะี่ยนี่คือสิ่งที่เรามีสติไปในกายเลยนะนี่กายทำอะไรนะใจก็รู้นสะิ่งใดเกิดขึ้นกับกายนะเป็นเวทนาของกายเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายเราก็รู้นะแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะรอบข้าเสียงเกิดขึ้นมานะหูกระทบเสียงนะ เราก็กรับรู้จมูกกระทบกลิ่นมีกลิ่นลอ ย, ยเข้ามานะเราก็รู้นะตา ม, มองเห็นนะก็รู้นะอันนี้คือการที่เราเรียกว่ามีสตินะในการรู้กายนะมันจะเป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้ลงที่สิ่งที่ทำในปัจจุบันรู้ในสิ่งที่เห็นในปัจจุบันรู้ในสิ่งที่ได้ยิน ในปัจจุบันรู้ในสิ่งที่ได้กินในปัจจุบันรู้ในสิ่งที่กายสัมผัสในปัจจุบันอันเนี้อันนี้เรียกว่ารู้ลงที่ปัจจุบันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่บางทีมันก็อาจจะมีบางอย่างชัดเจนกว่าการไปบ้านอันนั้นก็เป็นธรรมดาน ะ, นะแต่เราอย่าไปรู้แบบเฉพาะจุดอย่าไปรู้อย่างเดียวแล้วลืมอย่างอื่นเป็นนะ ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เราสังเกตดูมันจะรู้แบบสบายๆนะรู้แบบไม่ต้องเป็นภาระอะไรมันมากแต่ถ้าบางทีมันไปอยากจะรู้ให้มันชัดนะมันก็จะเหนื่อยนะนะความอยากรู้ชัดเนี่ยก็คือมันมีความอยากเข้าไปนะมีตัณหาเข้าไปเป็นตัวนะเรียกว่าสร้างเหตุ ข, ของความทุกข์นะ เแค่รู้นะเแค่รู้นะรู้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างรู้เบาบ้างหนักบ้างไม่เป็นไรนะเรียกว่ารู้อย่างที่มันรู้นะไม่ใช่รู้อย่างที่เราอยากจะรู้เราอยากจะรู้ชัดตลอดอันนี้ความอยากนะมันชัดเราก็ชอบใจมันไม่ชัดเราก็ชอบใจนะแต่จะรู้แต่มือตลอดนะพอรู้ จิตอยู่กับมือนะก็ชอบใจจิตลืมมือไปมันก็เสียใจใช่ไ ม, มไม่เป็นไรนะเนะีน่อทีรู้ได้ชัดขนาดไหนนะก็เท่านั้นน่าแตะนะบางทีถ้าเรารู้ตัวแบบทั่วพร้อมสบายๆนะมันจะเห็นว่าอ๋อที่จริงความรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นรู้เฉพาะจุดนะแต่ไม่ก็ก็จะมีตัวดักนะเดินก็จะมีตัวดักในการรู้การเดิน นั่งท่าจังหวะก็จะมีตัวหลักในการรู้สุดตัวในการนั่งนะในการยกมือไปเอามือมารู้กายเคลื่อนไหวตรงนี้นะแต่สี่อื่นบางทีมันมากระทบะสิ่งอื่นะที่มันเกิดขึ้นในเป็นธรรมชาตินะบางทีมันก็รู้สลับไปเองนะอตากรนะพริบบางครั้งก็รู้หนะายใจเข้าหายใจออกบางทีก็รูนะ้เสียงกระทบเีนะ่ยบางทีก็รู้ภาพกระทบนะ่ะเพื่อนเดินผ่าน สิ่งนั่สิ่งนี้เกิดขึ้นนะเราก็รู้อันนี้คือบางทีก็จะมันก็จะเป็นความรู้แทรกนะหรือเวทนาของกายเกิดขึ้นมาเจ็บปวดเมื่อตรงไหนอ่าไม่สบายตรงไหนน่ะเราก็รู้นี่เป็นความรู้ที่มันแทรกกันมาเรียกว่าเกิดความรู้เวทนาในกายแต่บางทีมันก็ไม่ให้รู้แต่กายนะนะ บางทีก็รู้จิตด้วยนะเป็นความสุขเป็นความทุกข์เกิดขึ้นเนยะก็รู้ความชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นก็รู้นะความพอใจความไม่พอใจนะนะเกิดขึ้นก็รู้นะอชอบคืออะไรชอบก็คือโลภนั่นแหละนะนะไม่ชอบไม่พอใจก็คืออะไรคือโทสะนะคือความโกรธนันะ่นแหละนะหรือไปคิด สิ่งใดนะนะแล้วก็ใจก็ลอยไปกับความคิดนะคิดถึงที่บ้านคิดถึงงานคิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ไปอดีตไปอนาคตหรือแม้แต่หลงไปคิดในสิ่งที่เป็นเห็นในปัจจุบันนะ่นะเช่นนกไะยินเสียงนกใช่ได้ยินไหม <c oughs> นอกกระไดร้อมน้องอะไรนะนะ น, นี้ก็คือความคิดนะที่เราหลงไปสมมติถ้าเรานั่งฟังอยู่ตรงนี้ใช่ไห ม, มถ้ายืนเสียงนกร้องใจเราไปสนใจนกร้องอันนี้เรียกว่าหลงไปแล้วนะแต่นอกจากบางครั้งนะเราทํางานหรือบางทีเราก็เออตั้งใจจะเรียนรู้ธรรมชาตินะเห็นนกเอา้าก็เอออาจจะมีคําถามก็ถามผู้รู้นะเห็นต้นไม้เห็น อ, อดอกไม้นะ อ, อจังหวะ น, นีออ้ก็อยากจะถามเพื่อเป็นความรู้ทางโลกไว้สักหน่อยไอ้แบบนั้นก็ไม่เป็นไระถามเพื่อเป็นความรูร้ทางโลกแต่บางทีปฏิบัติทมไปแล้วนะบางทีมันตามมันไปเห็นแล้วมันก็เราก็ไปเอาไปสนใจสิ่งที่ตาเห็นนะใจก็ไหลไปกับนกไหลไปกับเสียง ไหลไปกับต้นไม้ดอกไม้นะ่ะไปอยู่ไปหมอกมุ่นกนัตรงนั้นอืจะต้องรู้ให้ได้นะเห <c oughs> มือนมีโยมเคยเล่านะนะก็เห็นต้นไม้กำลังออกดอกสวยมากนะ่ะใจพอมันเห็นนะ้ ม, มันคิดอยากจะไปถ่ายรูปเนะดินจั่กลมอยู่ในห้องนะใจก็คิดแต่ว่าอืจะต้องเบร่เรพักเบต้องเบรถ่ายนะก็หมกมุ่นอยู่กับตรงนั้นนะ ก็ดื่มตัวนะแต่ถ้ามีสติคืออ๋อเห็นใจนะมันไปสนใจเช่นสนใจดอกไม้เห็นใจมันกำลังสนใจเสียงนกเสียงกาเห็นใจมันคิดปรุงแต่งวางแผนเป็นนั่นเป็นนี่เห็นใจมันชอบเห็นใจมันไม่ชอบเลนะเห็นใจมันสุขเห็นใจมันทุกข์เนี่ยเนี่ยเรียกว่ามีสติมีสติในการเห็น เห็นอาการที่เกิดขึ้นในใจนะไม่ใช่เห็นว่าเฮ้ยเราสุขเราทุกข์เราชอบเราชังนะนะเห็นเป็นอาการของใจนะอาการของจิตนะีนะ่เรียกว่ามีสติในการรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะ่สตินะเรื่องต้นนะเราจะรู้กายนะรู้กายเคลื่อนไหวนะต่อไปก็รู้ ใจคิดนึกนะใจรู้สึกไะใจมีอาการอะไรเราก็รู้นเนี้ยเรียกว่าเราฝึกรู้แบบเนี้บ่อยๆมันก็จะเห็นอะไรเหตุใจมันเปลี่ยนบ่อยแต่เกินนะหรือเวทนาไะก็เปลี่ยนบ่อยนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเดี๋ยวก็คิดนั่นแล้วก็คิดนี่เดี๋ยวก็ไม่คิด่ะปรุงแต่งไปเรื่อยนะร่างกายเองนะก็ ไม่ได้อยู่นิ่ง น, ะนั่งนะก็ไม่ได้นิ่งนะก็าหายใจเข้าก็าหายใจออกร่างกายร่างเนื้อมันก็ขยับขยื่นของมันเองอะไรนะหรือสิ่งที่มันกระทบกายนะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยของมันน ะ, ะเห็นแบบใ น, นอ้อมล่างกายเ น, ะนาะนั่งอยู่ดีนั่งไปสักพักนะมันก็เป็นทุกขนะ์กายมันเป็นทุกข์โดยธรรมชาตินะ ทำได้ก็เพียงแค่รู้นะรู้ว่ามันเป็นทุกขนะ์มันทุกข์มากก็แค่แก้ไขมันเทาไปนะไม่เป็นไรนะ่ะก็มองนะเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายนะภาวนาไปก็ไม่ใช่ว่าภาวนาเพื่อให้กายมันไม่ทุกข์นะภาวนาเพื่อเห็นกายมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้มันไม่ทุกขนะ์ของกายนะอืให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นอาการเนะี่ย จะดูเอามันก็จะเห็นออเป็นอาการของมันจิตใจก็เหมือนกันนะเราก็ไม่ได้ภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันสงบเพื่อให้มันไม่คิดนะเพื่อให้มันรู้สึกดีมีแต่ความสุขเย่ยงเดียวก็ไม่ใช่นะต้องอสงบก็รู้นะไม่สงบก็รู้นะเมื่อวานก็มีเพื่อนนะ ลายมานะบอกหลงที่นะจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนดีเชื่งนี้วุ่นวายมากใจไม่สงบเลยอยากไปเคาคอร์ดแนะนำหน่อยก็ก็แนะนำแนะนำครูบาอาจารย์ไปแนะนำให้ลองไปถามดูว่าเขาสะดวกหรือเปล่าก็แต่เขาก็โทรมานะก็โทรมาเนี่ยก็ เล่านะนะช่วงนี้ไม่สงบเลยช่วงนี้วุ่นวายมากนะส่้นมากนะก็แนะนำไปนะว่าที่จริงน ะ, นะเราภาวนาก็ดีนะมันไม่ใช่ว่าเพื่อมาแก้ความวุ่นวายใจน ะ, นะหรือภาวนาไปใ ห, ให้มันมีแต่ความสงบนะ แต่จริงเราภาวนาไปเพื่อเพียงแค่รู้นะอย่างที่มันเป็นมันไม่มันไม่สงบนะเราก็รู้มันนะ่ะอย่าไปห้ามมันแต่บางทีเราไม่ชอบความวุ่นวายนะชอบความสมะงบนะไม่ชอบความคิดนะชอบความไม่คิดนะันนั่นแหละบางทีมันทําให้เราเป็นทุกข์ใหญะมันทุกตอนนี้แล้วนะ ทุกตอนเนี้เราไม่เห็นว่าโอ้ทุกเพาะความไม่ชอบความวุ่นวายนะก็เลยอยากจะไปหาที่คิดว่าไปเข้าคอส <c oughs> แล้วมันจะสงบนะแต่ทํางานนะั่นเนาะกว่าจะมีเวลาไปเข้าคอสก็ไม่รู้อีกกี่เดือนข้างหน้านะแต่ใจตอนนี้ถ้าไปติดแต่ความวุ่นวายเครีออยดไม่สงบนะี่ยใจมันติดแต่ตรง น, นี้นะมันก็ทุกอีกหลายเดือนนะแต่ไม่รู้นะไปเข้าคอสมันจะ แก้ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แนตะ่จริงนะเราควรที่จะฝึกใจให้เป็นเป็นกลางกับสภาวะธรรมต่างๆนะอะไรเกิดขึ้นมานะ ก, ก็เพียงแค่รู้มันนะเพราะที่จริงเราห้ามมันไม่ได้หรอกความคิดนะห้ามไม่ได้หรอกอารมณนะ์ห้ามไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะในกาในใจนะเราห้ามมันไม่ได้เพราะสิ่งหน้าตาที่มันเกิดขึ้นเนะี่ย มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเหตุปัจจัยคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนี่แหลนะเช่นเหตุปัจจัยนะนะเหมือนสภาพทินฟ้าอากาศสภาพลมสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเนะี่ยเราไม่สามารถกําหนดได้นะกําหนดให้นกมันจะร้องตอนไหนนะตัวไหนร้องนะนั้นนี่ยไม่ได้นะนกมันก็อยู่เป็นธรรมชาติของมันนะ อาจจะบินไปบินมาปากก็เป็นของมันนะมันจะร้องก็ร้องของมันไม่ไม่ร้องก็ร้องมันก็ไม่ร้องของมันนะลมฟ้าอากาศก็เหมือนกันนะมันก็มีเหตุมีปัจจัยนะแต่พัดจากเหนือจากใต้จากตะวันออกตะวันตกนะฟ้าจะร้องตอนไหนไม่ร้องตอนไหนนะเนี่ยเขาเรียกว่าบังคับไม่ได้คำ <c oughs> ว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราบังคับบัญชาไม่ได้นะ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะสิ่งต่างๆเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้ก็เหมือนกันนะมันจะร้อนมันจะหนาวมันจะปวดมันจะเมื่อยนะมันก็เป็นของมันเองเราก็เพียงแค่รู้มันมันจะคิดมันจะไม่คิดนะมันเห็นแล้วจะสักแต่ว่าเห็นตืเห็นแล้วมันก็ลงไปคิดนะมันก็เป็นเรื่องของมันเอง มันจะชอบมันจะไม่ชอบนะเราดูนะมันก็เป็นของมันเองนะมันก็เป็นของมันอืถ้ารเราเห็นเออมันเป็นอย่างนี้มันเกิอเดอย่างนี้หนะก็ bem, ดูไปดูไปแบบเนี้แหละนะไม่ใช่ว่าเอ้ยอันนี้ไม่ดีผมไม่เอาอันนี้ดีเอาอคิดคิดเยอะๆนะคิดดีคิดแล้วถูกเลยนะอะคิดแล้วชอบนะดีก็จะเอานคิดแล้วไม่ชอบก็จะไม่เอานะ แต่การมีสตินะเพียงแค่รู้มันรู้เฉยๆนี่แหละนะสติมันก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยนะความหลงมันก็จะสั้นลงไปของมันเองนะมันไม่ใช่เป็นการคิดว่าจะไม่เอานะแต่สติมันจะเลือกที่จะไม่เอาเองนะมันต่างกันนะไม่ใช่เพราะว่าเราไม่อยากคิดไม่อยากเอานะมันความคิดก็เลยท่องท้า ม, มันนะไม่อันนั้นหลงไป แต่พอเกิดความคิดที่ไม่ตั้งใจขึ้นมานะสติรู้ทันทุกนะมันก็รู้ว่าเออมันก็วางของมันเองนะมันเป็นเรื่องที่สติมันรู้ของมันเองแล้วก็วางของมันเองโกรธแล้วจิตมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่เป็นกระบวนการมาไต่ตองว่าจะควรโกรธต่อดีหรือเปล่าควรจะคิดเรื่องนี้ต่อหรือเปล่าควรจะวางหรือควรไม่วางดีมันไม่ใช่การไป มันไม่ใช่เป็นการไป็นช่างน้ําหนักเป็นการไป็นตองเป็นการเปคิดแบบนั้นนะแต่ถ้าสติมันเห็นจริงๆนะโอ้ขณะที่โกรธอยู่โอ้ใจมันร้อนนะมันหนักนะมันมีทุกข์นะมันวางมันเลยมันทิ้งไลยนะอ่เหมือนเราไปจับไฟนะหรือไปถูกถูกของแรมของมีคนนะมันไม่ต้องคิดนะมันสลัดเลยมันวางเลยมันปล่อยเลยจิตเนยที่มันมีสติก็แบบนั้นนะ มันาดู ป, ปุ๊บน่ะมันวางเลยนะมันวางเลยไม่ต้องคิดนะอันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกนะเพียงแค่รู้นะแต่บางทีมันไม่วางก็ไม่เป็นไรนะก็รู้ว่ามันยังไม่วางน่ะรู้ว่ามันยังทุกข์อยู่นะรู้ว่ามันยังไม่พอใจอยู่น่ะเราก็แค่รู้แบบนั้นแหละนะเราไม่ต้องไปซ้ําเติมตัวเองนะแต่บางทีบางคนไปซ้ําเติมตัวเอง ทำไมชั้นแย่น่ะฉันคิดแบบนี้ไม่ดีเลยทำไมชั้นแย่นะชั้นโกรธคะนั้นตอนนี้น่ะชั้นแย่ชันไม่สงบเลยน่ะอันเนี้ยมันเป็นคิดซ้อนคิดนะน่ะโกรธคนอื่นแล้วน่ะก็มาโกรธตัวเองอีกเอ่ะที่ไปโกรธเขานะคิดแล้วน่ะก็ยังมาคิดอีกว่าทำไงถึงที่ไม่คิดน่ะอ่ะนั่มันเป็นคิดซ้อนคิดโกรธซ้อนโกรธนะอยากซ้อนอยาก หนะ้าที่เรานะเพียงแค่รู้นะรู้เฉยนะรู้เฉยนะมันจะไม่มีตัวซ้อนไม่มีตัวซ้อนคล้ายๆเหมือนไม่มีตัวมาต่อมาเติมเชื้อนะ้ำอารมณ์นั้นมันก็จะจบไปหมดไปเนะี่ยอันนี้แหละนะเราทําแบบนี้นะอืมีสตินะเ ร, รู้รูนะ้ในกายที่เคลื่อนไหวนะจะทำจะอะไรจะยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปนะ ที่มันรู้ได้นยะแล้วก็ไม่เป็นการรู้เฉพาะจุดไม่ใช่เข้าไปอยู่ในร่างกายเนะี่ยแต่ให้รู้สึกนะรู้สึกตัวเฉดเฉดตัวทําอะไรก็เพียงแค่รู้สึกนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นการเพ่งตัวทั้งตัวให้มันพร้อมกันนะนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมัเหมือนคล้ายๆเราเปิดประสาทในการรับรู้ทุกสิ่งทักอย่างไว้ไม่ไปปิดกั้นนะ ไม่ปิดกั้นว่าแต่ไม่ต้องไม่อยากเห็นอะไรไม่อยากได้ยินอะไรแบบนี้เนาะนะเหมือนเปิดไว้นะเปิดไว้นะอะรจะเข้ามาก็รู้เออแล้นะอะรจะเกิดขึ้นตรงไหนก็รู้แต่เราก็มีตัวดักในการรู้นะนะจะเดินจงกลมจะยกมือสักอย่ามันก็มีตัวดักของมานอยู่นะมีตัวหลักตัวอื่นก็เป็นตัวรองนะรู้ไปความคิดความรู้สึกเราก็ไม่ห้ามนะ จะเกิดอะไรนะก็รู้มันไม่เป็นไรนะเดี๋ยดีไม่ดนะีอะไรก็รู้มันนั่นแหละนะมันจะเห็นว่าทิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างก็ดับไปทินะ่งที่เข้ามาแล้วก็จากไปนะอะไรมันก็เป็นแบบนี้แหละนะมันเปลี่ยนไปนะมันแสดงตัวแล้วก็หายไปนะนี่เรียกว่าอั น, นิจ้จมันไม่เที่ยงนะมันแปลเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้น่ะมันเป็นของมันเองตามเหตุตามปัจจัยน่ะเห็นไหมดูก็ตัวอย่างนี้มันก็จะสนุกมันมาให้เห็นเน่ยหรือเห็นกิเลสเห็นความอยากต่างๆเห็นไหมมันเป็นทุกข์อ่ามันเป็นทุกข์โกรธมันเป็นทุกข์อยากได้อยากโลคมันเป็นทุกข์แต่ลงน่ะเห็นเป็นทุกข์ยากแต่มันลอยอ่า แต่หลงเห็นเป็นอนัตตาได้ง่ายเห็นเป็นอนิจจังได้ง่ายนะพ่อเออมันหลงความมันเองอะมันคิดขวามันเองเนี่ยเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแต่หลงเห็นเป็นทุกข์อ่ะมันยากเหมือนกันเพราะมันบางทีหลงมันจะเลยลอยๆไปนะแต่โกรธเนี่ยเห็นเป็นทุกข์ได้ง่ายนะโลคเนี่ยอโลคนี่ยก็เป็นทุกข์นะออยากจะได้ยังไม่ได้เนี่ยมันทุกข์คือทุกข์ทุกข์นะทุกข์เนี่ ดูเนะนะนี้ยนะดูอันเนี้ยเรียกว่าเห็นไตรักนะของรูปของนามนะมีปัญญานะเห็นไตรักเนะี่ยจิตมันจะเบาลงไปเยอะเลยนะนะเรียกว่าความทุกข์น่าจะลดลงไปสักครึ่งหนึ่งได้นะอืถ้าจิตมันมีมันเห็นไตรักนะของรูปของนามนะนะมันจะจิตจะเบาลงไปนะอนะมากกว่าครึ่งหนึ่งแหลนะ ความทุกข์ที่เคยมีความโหงที่เคยเกิดแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เข้าทันมันเนี่ยหายไปได้สักครึ่งหนึ่งเลยแต่มันก็ยังไม่ใช่จบแค่นั้นะมันก็ยังมีต้องรู้ต่อนะจะมีสิ่งที่มันละเอียดว่าตรงนี้เอียดก็มีนะแต่มันเป็นสิ่งที่เราเกิดปัญญานะเกิดดวงตานะในธรรมะขึ้นมาแล้วในจะิตในใจนี้เนะนี่ยคือสิ่งที่เราโชคดีนะนะที่เรา ได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้นะแต่ก็อย่างว่านะมันฟังเฉยๆมันก็ไม่เข้าใจหรอกนะต้องทาไปสังเกตไปนะทำไปนะสังเกตไปนะสังเกตตัวเองไปนะขณะที่ทำนะมันเข้าไปอยู่หรือเพียงแค่รู้นะนะรู้เฉยๆหรือรู้แบบมันจะมันยากนะนะก็ต้องสังเกตตัวเองนะนะดู ดูกายดูใจตัวเองไปด้วยนะสังเกตไปเรื่อยนะอันนี้คือทำไปแล้วก็ศึกษาไปทำถูกทำผิดนะมันบอกในตัวของมันเองนั่นแหละนะทำแล้วมันทนะุกข์นยหรือทำแล้วมันไม่ทนะุกข์นยมันก็บอกของมันเองนะทำแล้วรู้หรือทำแล้วหลงนยมันก็บอกของมันเองนั่นแหละนะความถูกความผิดความรู้ความหลงความทุกข์ค ว, ค, ว ulk, ความไม่ทุกข์นะมันก็จะเห็นเองเข้าใจเองนะ ลองดูแต่บางทีก็ไม่เห็นในวันนี้ก็มีนะบางอย่างเออแต่พอทํำไปเะค่อยๆค่อยเข้าใจมากขึ้นค่อยอๆเห็นเห็นความไม่รู้เห็นความหลงตัวเองบ่อยขึ้นนแต่มันก็ต้องทําเนี่ยทําไปมันถึงจะเข้าใจถึงจะรู้นักนก็ฝากไว้ในเช้า ว, วันนี้